เรื่องกรุงแตกของพลตรีหลวงวิจิตวัฒการบทที่6เกียรติของบางระจันขรอตระลึ ก, กันขึ้นได้ว่าที่ตำบลบ้านบางระจันมีคนอพยพหนีภัยกันไปพักอาศัยอยู่มากเนื่องจากเป็นที่ที่มีสเสบียงอาหารบริบูรณ์และเป็นบ้านดอนอยู่ที่พรมแดนเมืองวิเศษชัยชาญเมืองสุพรรณและเมืองสิงห์ติดต่อกันเป็นที่ที่คาดหมายกันในชั้นแรกว่า ค่าศึกจะไปถึงได้ยากนาแทนผู้เป็นหัวหน้าชักชวนเพื่อนทั้งหลายว่าเราไปบางละจันกันดีกว่าในายทองแก้วถามว่าไปทําไมนาแท่นตอบว่าไปตั้งค่ายของเราอยู่ที่นั่นถ้าพม่าไปไม่ถึงค่ายบางละจันก็จะเป็นที่อาศัยของชนชาวไทยที่จะหลบหนีภัยจากพมา่าแต่ถ้าเขาไปถึงเราก็สู้กันอย่างค่ายอิสระไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทางกรุง ในเมืองพูดว่าถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์ท่านอาจารย์ของเราไปด้วยทุกคนเห็นด้วยท่านอาจารย์ที่ในเมืองกล่าวถึงนี้คือพระอาจารย์ธรรมโชติวัดเขานางบวชแขวงเมืองสุพรรณบุรีซึ่งพกชาวบ้านนับถือกันว่าเป็นผู้ทรงวิทยาคมหลวงแสนพลภาพเองก็พอใจมากที่ได้มีอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมไปอยู่ด้วยเพราะทําให้เขาได้ระลึกถึงขุนรองประหลัดชูอาจารย์กองอธรรมาทิของเขา ในชีวิตนี้ทั้งชีวิตหลวงแสนพลภาพจะไม่ลืมกองอธรรมาตซึ่งได้แหลกละลายไปที่อาว่าขาวนั้นเลยทุกคนนําครอบครัวของตัวไปมีจํานวนที่ไปกันในครั้งนี้ทั้งชายหญิงและเด็กเป็นจํานวนเกือบ300คนพระอาจารย์ธรรมชดก็ยินดีไปด้วยพวกที่อพยพมาอยู่ที่บางละจาันแล้วก็ยินดีต้อนรับพระอาจารย์ธรรมชดได้เข้าอยู่ในวัดโพก้าต้น ในตำบลบ้านบางระจันนั่นเองเมื่อชาวบางระจันได้ทราบความประสงค์ของพวกที่มาใหม่และทราบชื่อเสียงของคนที่มีฝีไม้ลายมือเช่นในแท่นในดอกและในทองแก้วแล้วก็มีความประสงค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะสร้างตำบลบางระจันขึ้นเป็นค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งและในบรรดาพวกซึ่งอยู่ในที่นั้นแล้วก็ได้เลือกหัวหน้าเขาขึ้นอีกห้าคนคือขุนสันซึ่งเป็นคนยิงปืนแม่น พันเรืองกัมนานในทองเหม็นในจันหนวดเคี้ยวในทองแสงใหญ่และชายชะกันทุกคนก็ได้ช่วยกันสร้างค่ายคูวงรอบบ้านบางราจันเป็นสองค่ายรวบรวมจำนวนชายชะกันที่สามารถจะทำการรบได้ถึงสี่ร้อยคนแบ่งจัดเป็นหมวดหมู่ปันเวนรักษาหน้าที่และสอดแนมให้ทราบความเคลื่อนไหวของพม่าที่จะมาทางนี้บรรดาอาวุธที่คนเหล่านี้มีอยู่ ก็มีแต่ดาบเป็นส่วนมากที่สุดมีปืนอยู่บ้างแต่ก็เป็นจํานวนเพียงเล็กน้อยวันหนึ่งกองสอดแนมมาบอกว่ามีกองทหารพรมาร่าประมาณหนึ่งรคนยกมาชาวบ้านบางระจารันก็ดีอกดีใจเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เปิดฉากการต่อสู้เขาได้ปรึกษากันถึงการตั้งในทัพที่จะคุมกําลังไปต่อสู้พมา่าครั้งนี้ทั้งพวกที่มาใหม่ได้ให้เหตุผลว่าพมา่าที่ยกมาครั้งนี้ ก็คงเนื่องจากการที่พวกมาใหม่นั้นหลอกอาพามา่าไปฆ่าเสียตั้งยี่สิบคนเมื่อพวกเขาเป็นต้นเหตุให้พามา่าติดตามมาเขาก็ขออ า, าสาสู้กับพามา่าก่อนเขาเป็นอันตกลงกันอย่างนั้นการสู้พามา่าในครั้งนี้จึงเป็นงานของพวกมาใหม่คือพวกหลวงแสนพลพ่ายนั่นเองในแท่นได้รับตําแหน่งเป็นนายทัพและพวกที่เป็นไพร่พลก็ล้วนเป็นพวกมาใหม่ทั้งนั้นหลวงแสนพลพ่าย เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในพวกไพรพ ล, ลโดยไม่ยอมขึ้นเป็นนายกองหรือมีฐานะอะไรและจนกระทั่งถึงเวลานี้นอกจากนายท้องแก้วคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหลุงแสนพลาภายเป็นข้าราชการมีบรรดาศักด์ทุกคนเรียกกันว่านายแสนความตั้งใจเดิมของนายแท่นคิดว่าเมื่อมีพมา่ามาเพียงหนึ่งรอคนพวกเขาเพียงร้อยเดียวก็พอที่จะต่อสู้กับพมา่า แต่พวกที่อยู่เก่าก็อาสาเป็นไพร่พลไปด้วยเพื่อไม่ให้มีการผิดพ้องหมองใจในระหว่างพวกเก่ากับพวกใหม่ในแท่นจึงรับพวกเก่าไปอีกหนึ่งรคนรวมเป็นคน200รคนเมื่อกําลังคนของฝ่ายเรามากกว่าพมา่าแล้วอย่างนี้เขาก็ตกลงใจที่จะทํางานอย่างหักโหมคือเข้ารบกันอย่างถึงเนื้อถึงตัวในทันทีทันใดกองทัพบางระจันได้เดินแยกย้ายกันไป ค่อยๆหาที่หลบที่ซ่อนโดยไม่ให้พม่าเห็นเขาได้พบกองทัพพม่ามาตั้งพักอยู่ที่ฝั่งข้างใต้ของคลองบางาาระจันในแท่นก็ให้อนาสัญญาณเข้ากลุ่มรุมฟันแทงพม่าทุกคนได้ทําตามหน้าที่อย่างดีของเขาหลวงแสนพลรพ่ายได้พบที่ระลึกแห่งกองอธรมาทิของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาเคยรบที่อ่าวว่าขาวมาอย่างไรเขาก็ทําอย่างนั้นเสียงโห่ร้องเกลียวกลราวของพวกไทย ทำให้พมา่าเสียขวัญตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถูกจู่โจมกระทําร้ายในทันทีทันใดหนทางที่พมา่าจะต่อสู้ป้องกันตัวจึงทำได้ยากดาบของชาวบังราจรันได้ฟาดฟันพมา่าเหมือนฟันหญ้าฟันหยวกตัวนายแท่นเองได้ทำตนให้สมกับที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าความเข้มแข็งว่องไวและเพลงดาบของนายแท่นทาให้หลวงแสนพลาพ่ายต้องยอมว่า การที่ยกในแท่นขึ้นเป็นหัวหน้านั้นเป็นการสมควรจริงๆถ้าในทัพของกรุงศรีอยุธยาเช่นพญาโยมราชหรือพญารัตนธิเบตมีความเก่งกล้าแม้แต่เพียงครึ่งหนึ่งหรือกระเพียกหนึ่งของในแท่นพมา่าจะไม่สามารถเข้ามาทําการปล้นสะดมข่มเหงรัษฎรไทยเหมือนอย่างที่ทําอยู่ในเวลานี้เลยเขาใช้เวลาไม่กี่มากน้อยพอม่าทั้งร้อยก็ตายเกือบหมด พื้นที่ริมคลองบางระจันนองไปด้วยเลือดพมา่าจะรอดไปได้ไม่เกินสามคนและผู้ที่รอดกลับไปนั้นก็เฉพาะแต่พวกตัวนายที่กระโดดขึ้นมา้าขับควบหนีไปโดยไม่ต่อสู้พวกที่อยู่ต่อสู้นั้นรับรองว่าตายหมดเป็นชัยชนะครั้งแรกของกองอาสาน้อยๆอยที่เรียกว่าชาวบางละจันซึ่งได้ควบคุมกันเป็นกองเล็กอย่างน่าเอ็นดูแล้วก็ทางานอย่างกลมเกลียว เหมือนหนึ่งว่าเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาชัยชนะครั้งนี้มีผลมากเพราะนอกจากจะฆ่าพม่าได้ตั้งร้อยคนแล้วเขายังได้อาวุธยุทธภัณฑ์มาเพิ่มพูนกำลังกองทัพ บ, บางราจันของเขาได้ปืนในคราวนี้ราว30กระบอกได้ดาบอย่างดีเกือบหนึ่งรอยเล่มเขาไม่รีบร้อนที่จะยกกลับเข้าค่ายเขาใช้เวลาตรวจค้นอย่างสบายในตัวทหารพม่าทุกคน สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือกระสุนดินดำซึ่งเขาได้มามากเพราะพะมา่ายังไม่ทันใช้ในการสู้รบครั้งนี้เขาถูกจู่โจมเข้าถึงตัวโดยไม่รู้ล่วงหน้ากองทัพน้อยๆของบางราจารันได้นําเอาชัยชนะและยุทธสัมภาระกลับมาได้ความร่าเริงสนุกสนานอนหนึ่งชัยชนะครั้งนี้ทาให้ชนชาวบางราจารันทุกคนยอมรับนับถือในแท่นแม้พวกหัวหน้าซึ่งเป็นคนเก่า และเป็นผู้มีอาวุโสเช่นขุนสันและในจันโหนดเขี้ยวก็ยอมยกให้ในแท่นเป็นพี่ใหญ่ในแท่นได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพ บ, บางระจันเป็นการแต่งตั้งด้วยความยินยอมพร้อมใจของชาวบางระจันทั้งหลายและข่าวชัยชนะของชาวบางระจันครั้งนี้ก็ร่ํำลือระบือไปทําให้ราษฎรที่แตกฉานซุ่มซ่อนอยู่ตามหัวเมืองใกล้เคียงพากันมาบางระจันเขาพูดกันว่ามา เข้าซ่องจํานวนคนชาวบังระจันจึงมีมากขึ้นทุกทีและพวกที่มาใหม่นี้บรรดาพวกชายชกันก็เข้าเป็นทหารประจําหน้าที่ฝึกหัดการรบการใช้อาวุธอันหนึ่งตั้งแต่ได้ปืนมาครั้งนี้ขุนสันก็ทําหน้าที่เป็นครูแม่นปืนสอนการยิงปืนให้แก่คนที่ขุนสันได้เลือกเป็นพิเศษเมื่อเนเมียลศีหบดีได้ทราบความเก่งกล้าของชาวบังระจันขึ้นชนนี้ ก็เข้าใจว่าค่ายบางระจันนั้นคงเป็นซ่องโจรจึงได้ส่งทหารห้าร้อยคนให้งาจุนบุญเป็นนายกองยกมาตีพวกบางระจันถูกชาวบางละจันตีแตกกลับไปเนเมิลศรีหบดีได้ส่งกองปราบมาอีกสองครั้งครั้งหนึ่งเย่กินบุญเป็นนายกองอีกครั้งหนึ่งติงจาโบเป็นนายกองก็ถูกชาวบางระจันตีแตกไปเช่นเดียวกัน สำหรับติงจจโบที่คุมกรองทหารมาครั้งหลังนี้เป็นนายทหารที่มีฝีมือดีคนหนึ่งของพ่อม่เมื่อได้ชชนะอีกถึงสามครั้งกำลังอาวุธยุทธภัณฑ์ของชาวบังราจันก็ดียิ่งขึ้นเขาได้ปืนอีกหลายร้อยกระบอกพร้อมทั้งกระสุนดินดำอย่างมากส่วนดาบนั้นได้มากจนไม่อยากได้อีกแปลว่าในเวลานี้กองทัพ บ, บังรจันยอยู่ในฐานะที่อาจจะสู้กับกองทหารใหญ่ๆของพม่ได้ทีเดียว ความพ่ายแพ้ของพม่าทั้งสี่ครั้งและเสียในทหารชั้นดีอย่างติงจาโบนั้นทำให้เนมยลสีหบดีแลเห็นว่าการที่จะปราบบางระจารันให้ได้นั้นก็จะต้องยกไปเป็นกองใหญ่จึงสั่งให้จัดกองทัพมีจำนวนพลถึงพันเศษและในบรรดานายทัพในกองของพมา่าก็เกิดความมานะแรงกล้าที่จะปราบชาวบางราจารันลงให้ได้ในกองพม่าคนหนึ่งชื่อสุรินจ์จ้อง รับอาสานําพลพันเศษนี้ไปปราบชาวบางระจันและได้ทําการอย่างระมัดระวังถึงกลับไปปลูกตั้งเป็นค่ายที่ทุ่งห้วยไผ่ใกล้ตําบลบางระจันและเตรียมการลบอย่างวิธีพิชัยสงครามทีเดียวไม่ได้เป็นการปราบโจรเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อกองสอดแนมของบางระจันได้ข่าวพมา่ายกมาเป็นกองใหญ่ก็ได้จัดทัพของตัวขึ้นบ้างในแท่นคงรับตําแหน่งแม่ทัพใหญ่ มีพล200เป็นกองกลางในท้องเหม็นมีพล200เป็นปีกขวาพันเรือกํานันมีพล200เป็นปีกซ้ายรวมพลได้600คนในบรรดาพล600คนนี้มีหลายร้อยคนที่ใช้ปืนวิธีการจัดทัพของบางราจรันดังกล่าวข้างต้นไม่เหมือนกับวิธีจัดทัพของเจ้าใหญ่ในโตคือไม่จัดเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังเพื่อให้กองหน้าเข้ารบก่อน แล้วเมื่อเห็นท่าว่าจะพ่ายแพ้กองกลางและกองหลังก็เปิดหนีแต่วิธีจัดทัพของบางลาจันนี้มีกองกลางปีกซ้ายปีกขวาหมายความว่าระดมกำลังเข้าตีพร้อมกันเมื่อกองทัพไทยยกไปถึงสตือสี่ต้นพม่า ก, ก็เริ่มยิงและเป็นการยิงโต้อตอบกันโดยมีคลองขวางอยู่กลางวิธีรบอย่างนี้ชาวบางลจันไม่ชอบ เขาเคยรบกันถึงเนื้อถึงตัวนี่มายิงกันอยู่คนละฝ้าครองไม่เห็นสนุกอะไรและถ้ารบกันอย่างวิธีนี้ตลอดไปฝ่ายไทยก็ต้องแพ้เพราะมีปืนและกระสุนดินดำน้อยกว่าทั้งปีกซ้ายและปีกขวาได้แบ่งกำลังพลส่วนหนึ่งไปทาทางข้ามครองทั้งสองข้างแล้วก็ค่อยๆข้ามครองกันมาทีละน้อยโดยที่พม่าไม่รู้ตัวพวกที่ข้ามมาได้ก็ตั้งโอพม่าอยู่เงียบๆก่อน เสียงปืนทางไทยน้อยลงไปจำนวนทหารก็น้อยลงไปซึ่งทางพม่าพอจะเข้าใจได้เพราะไทยมีอาวุธปืนน้อยเมื่อหมดลูกปืนเข้าก็คงจะพยายามถอยหนีพม่าไม่ได้ระแวงสงสัยว่าทหารของบางรจันโอบข้างตัวเข้ามาทุกทีและในช่วงเวลาอีกไม่ช้าทหารของบางระจันก็กลูกันเข้ามาทั้งสองข้างและคราวนี้ก็เป็นการรบอย่างถึงเนื้อถึงตัว เป็นการรบที่ชาวบางระจันชอบโดยเหตุที่พมา่ายกมาเป็นกองทัพและตัวนายทัพคือสุรินจอข้องนั้นก็เป็นคนสำคัญมากจึงต้องมียศมีอย่างสุรินจอข้องต้องนั่งอยู่บนหลังมา้ามีคนกั้นร่มระยะเพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นแม่ทัพชาวบางระจันชอบร่มระยะมากพอเห็นร่มระยะก็ทะลวงฟันเข้าไปทางร่มระยะนั้นคราวนี้หลวงแสนพลพ่ายได้มีโอกาสออกหน้า ฟันตัดช่องเข้าไปท่านแม่ทัพอยู่ในถ้มกลางพลร่มระยายังกลางอยู่ดาบของหลวงแสนพลาภาได้ฟาดลงกลางตัวของสุรินทร์จอข้องก่อนดาบของคนอื่นแล้วต่อไปนี้ก็เป็นการรบอย่างชุลมุนเพราะทหารของสุรินทร์จอข้องก็ล้อมวงเข้ามาหลวงแสนพลาภายรู้สึกว่าสนุกกว่าเมื่อคราวรบที่อ่าวว่าขาวเสอีกเขาฟันซ้ายป่ายขวา ดาบของเขาโชคนองไปด้วยเลือดเพื่อนของเขาที่อยู่ข้างเคียงก็ได้สู้รบอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่าภาพของขุนรองประหลัดชูได้ปรากฏแกต่ตาเขาเหมือนหนึ่งว่าวิญญาณของท่านผู้นี้มาคอยช่วยเขานึกถึงคำว่าอาจารย์แล้วเขาก็ฟาดฟันต่อไปถ้าหากเขาจะต้องตายด้วยความอิ่มเอมเพรมใจแต่เมื่อสู้ไปสักพักหนึ่งวงล้อมนั้นก็บางลงไป เพราะวงนอกได้ตีเข้ามาฆ่าฟันกันล้มระเนระนาดดูเหมือนว่าในการรบที่รับขับสู้กันวันนั้นเขาจะไม่ได้เหยียบยืนอยู่กับพื้นดินต้องเหยียบบนศพของเพื่อนหรือของศัตรูไม่เป็นไรที่ตายก็ตายไปที่อยู่ก็สู้ไปต่อมาอีกพักหนึ่งกองทหารพม่าได้ถอยออกไปบ้างและการรบที่ชุลมุนวุ่นวายก็ดูน้อยลงต่างฝ่ายต่างตั้งแถวเป็นหน้ากระดานพม่าได้เข้าหาที่กำบัง และเริ่มใช้ปืนใหม่การรบดังที่กล่าวนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงอย่างเดียวกับการรบที่อ่าวว่าขาวทหารพม่าได้พยายามถอยออกไปแต่ก็ยังใช้ปืนยิงอยู่อย่างหนานแน่นฝ่ายบางราจันไม่กล้าลุกเข้าไปตรงๆจำเป็นต้องคิดหาทางอบอ้อมเพื่อเข้าถึงตัวพม่าใหม่โดยที่พม่าไม่รู้สึกตัวแต่อีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนมาจากแนวรบของพมา่า เป็นภาษาไทยอย่างไม่ค่อยชัดแต่ก็พอเอาความได้ว่าเขาชวนให้หยุดกินข้าวกันเสียก่อนเพราะถึงเวลากินข้าวเมื่อกินข้าวแล้วจึงค่อยรบกันใหม่ดีเหมือนกันพวกเราก็หิวหยุดกินข้าวกันเสียก่อนแล้วจึงค่อยรบกันใหม่ทางพม่าหยุดยิงทางเราก็หยุดบ้างรบกันอย่างลูกผู้ชายใจนักรบเมื่อขอหยุดเราก็หยุดให้ต่างฝ่ายต่างชักแนวถอยหลังออกห่างจากกัน เพื่อหุงข้าวกินให้อิ่มหนำสำราญเสียก่อนจึงค่อยรบกันใหม่กองทัพบางระจันถอยมาไม่มากนักก็พบกองทัพหญิงของเขาไม่ใช่กองทหารหญิงที่จะออกมารบด้วยแต่เป็นกองทหารหญิงที่ทำหน้าที่แม่ครัวหุงหาอาหารให้พร้อมสับอุ่นเรือนเป็นหัวหน้าในงานอันนี้อุ่นเรือนเองเป็นคนชักชวนหญิงชาวบางระจันว่าให้เตรียมอาหารสำหรับกองทัพของเราเพราะฝ่ายเราหยุดพัก ก็ลงมือรับประทานได้ทันทีเรารับประทานเสร็จแล้วทั้งแนวของพาม่ายังมีควันกรุ่นอยู่ทั่วไปเพราะพวกพาม่าเพิ่งเริ่มหุงข้าวในโชดหัวหน้าคนหนึ่งร้องขึ้นว่าเอามันพวกเรานายอินหัวหน้าคนหนึ่งร้องตอบว่าเฮ้ยทางโน้นเขายังไม่ได้กินข้าวในโชดตอบว่าก็เรากินแล้วนี่ว่ากันว่ากินข้าวแล้วรบกันใหม่ไม่ได้บอกว่าต้องรอให้กินเสร็จทั้งสองข้าง ในแท่นร้องบอกว่าเอา้าเอามันเขาลุกขึ้นจากที่แต่เขาก็กลับลม้มลงไปเพราะขาของเขาไม่สามารถจะทรงตัวของเขาไว้ได้พวกพ้องที่อยู่ใกล้เคียงก็ตกใจพากันเข้าไปดูในแท่นถูกปืนที่เขา่าแต่เขาพยายามปกปิดไม่บอกให้เพื่อนทราบ พ, พวกพ้องคนหนึ่งถามว่าถูกปืนตั้งแต่เมื่อไหร่ในแท่นตอบว่าเมื่อเริ่มยิงกันใหม่ในตอนหลังนี้เอง พวกพ้องถามว่าแล้วทําไมไม่บอกในแท่นก็ตอบว่าเมื่อตะกี้ก็ดูไม่เป็นไรรู้สึกเจ็บแล้วก็ยังยืนอยู่ได้นึกว่าลูกปืนเฉียดไปเล็กน้อยเพิ่งมาลุกไม่ได้เดี๋ยวนี้เองอันที่จริงในแท่นถูกปืนที่เข่าเป็นแผลสาหาัสแต่คงจะเป็นด้วยกําลังใจของเขาช่วยให้เขาไม่ล้มลงในขณะที่กําลังรบเขาพยายามปิดความไม่บอกให้พักพวกรู้โดยกลัวพักพวกจะเสียกําลังใจ เขาเอากิ่งไม้ที่มีใบวางปิดบนเข่าของเขาเพื่อไม่ให้ใครเห็นเลือดแล้วก็สนทนาสนุกสนานในระหว่างรับประทานอาหารแต่ก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นได้อีกจึงตกลงช่วยกันหามในแท่นออกไปเสียจากแนวรบแล้วก็เข้าโจมตีกองทัพพม่าซึ่งกำลังหุงข้าวกันอยู่ไม่มีวิธีใดจะได้เปรียบเท่ากับวิธีนี้เพราะทางไทยอิ่มน้าสาราญแล้วแต่ทางพม่ายังหิวข้าวโจนจะสุก จวนจะรับประทานได้อยู่แล้วกลับไม่ได้กินต้องจับอาวุธขึ้นต่อสู้ใหม่คราวนี้ก็หมดทางสู้เรี่ยวแรงกำลังหมดไปและความหิวก็เป็นทุกข์ทรมานพม่าจึงสู้พลางถอยพลางและคราวนี้กองทัพ บ, บางระจันก็ลุกไล่ฆ่าฟันอย่างดุเดือดจนตลอดบ่ายไล่ติดตามพม่าฆ่าไปโดยไม่ยอมหยุดอันที่จริงทางพม่านั้นแม้จะหนีก็หนีได้ด้วยความยากลาบาก พะกำลังวังชาเกือบจะหมดไปบางคนยอมตัวให้จับแต่ชาวบางระจันไม่ต้องการจะจับเพราะไม่รู้จะจับเอาพาม่าไปทำไมเขาฆ่าฟันพาม่าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาจวนค่ำพาม่าเหลือกลับไปได้น้อยคนเต็มทีเมื่อทหารพาม่าหมดแล้วงานอันหนึ่งที่เขาไม่ลืมทำก็คือเก็บรวบรวมสรมพอวุธเพราะเป็นของจาเป็นมากคราวนี้เขาได้อาวุธอย่างดีๆไวมาก ได้ปืนอีกหลายร้อยกระบอกซึ่งทำให้เขามั่นใจว่าในการรบคราวหน้าถึงแม้จะสู้กันด้วยปืนถ้าเป็นกองทหารพรมาร่าขนาดพันคนแล้วก็พอจะสู้กันได้หลวงแสนพลพ่ายพูดกับอุ่นเรือนเมื่อกลับมาถึงที่พักภายในค่ายว่าน้องทราบหรือไม่ว่าเราชนะพะมา่าด้วยเหตุใดอุ่นเรือนตอบว่าด้วยความกล้าหาญและฝีมือของนักรบบางราจารันของเราแต่หลวงแสนพลพ่ายตอบว่า แต่อย่าลืมว่าพมา่ามีทหารถึงพันเศษมากกว่าเราสองเท่าแล้วก็เป็นทหารที่ดีๆทั้งนั้นถ้าขืนสู้กันไปอย่างที่สู้กันมาแล้วเราอาจจะแพ้ก็ได้ใช้ชนะที่เราได้มาเนื่องจากเหตุอันเดียวคือผู้หญิงชาวบังระจันทำตัวเป็นแม่บ้านแม่เรือนเราได้กินอาหารโดยไม่ต้องมัวหุงแต่พมา่าต้องมัวหุงข้าวแพ้กันที่ตรงนี้ ตั้งแต่พมา่ายกกองทัพเข้ามากรุงศรีอยุธยาครั้งนี้ก็เพิ่งได้พบกองทัพไทยที่แท้จริงที่บางระจันนี้เองพม่าแลเห็นชัดว่าการตีบางระจันนั้นยากเสียกว่าตีกรุงศรีอยุธยาหรือตีเมืองสำคัญสำคัญที่ผ่านมาแล้วแต่ก็จะต้องตีให้ได้ฉะนั้นเนเมีิอสีหบดีจึงต้องจัดบริยพนที่เข้มแข็งให้แยจออากายกไปเป็นครั้งที่ห้าก็แพ้กลับมาให้จิกแก ซึ่งเป็นประหลัดเมืองทวายยกไปเป็นครั้งที่6ก็ถูกชาวบางระจารันตีแตกกลับมาเสอีกเนี่ยมีวสีหะ บ, บดีจึงได้เลือกกองทหารเป็นพิเศษเรียกหาผู้สมัครและเลือกคัดแต่ทหารที่เชื่อว่ากล้าหารและมีฝีมืออย่างดีจัดเป็นกองทัพที่แท้จริงมีทั้งทหารม้าและทหารราบให้อากาปันคยีเป็นแม่ทัพยกออกไปปราบชาวบางราจารันอีกคราวนี้ชาวบางราจารันรวบรวมจานวนพลได้ถึงพันเศษ ส่วนตัวนายแท่นนั้นตั้งแต่ป่วยเมื่อการรบครั้งโน้นแล้วก็ไปทับไม่ได้อีกหน้าที่แม่ทัพตกอยู่แก่นายจันหนวดเขี้ยวซึ่งก็เป็นแม่ทัพที่สามารถนำกองทัพตีพม่าแตกพ่ายไปได้เหมือนกันและตัวอากาปันคยีนายทัพพม่าก็ตายในที่รบพม่าพยายามปราบชาวบังละจานมาถึงสี่เดือนปราบไม่สําเร็จเป็นอันว่า ศึกใหญ่ที่สุดที่พม่าได้มาพบในครั้งนี้คือที่บางระจันพระเอิญมีมอนคนหนึ่งซึ่งเข้ามาอยู่เมืองไทยช้านานและไปเข้าข้างพมา่าตามธรรมดามอนเคยดีกับไทยตลอดมาแต่มอนคนนี้เป็นมอนทรยศทรยศ ต, ต่อดินแดนของไทยที่ตนได้อยู่อาศัยและทรยศ ต, ต่ออุดมคติของชนชาติมอนที่ไม่เคยเป็นศัตรูกับไทยบุคคลผู้นี้เข้าไปสามิพักอยู่กับพมา่า และได้รับตำแหน่งซึ่งเรียกว่าสุกี้หรือที่พระราชพงศาวดารเรียกว่าสุกี้พระนายกองเขาอาสาไปปราบบางละจันและเนรเมียวสีห บ, บดีก็ยอมให้เขาไปวิธีการของบุคคลผู้นี้ที่ผิดกับของนายทัพคนก่อนๆคือไม่มาโจมตีเอาตรงๆและหลีกเลี่ยงการรบกลางแปลงเห็นจะเป็นเพราะได้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าในการรบกลางแปลงนั้นพม่าสู้ชาวบางละจันไม่ได้ สุกี้ได้รบโดยวิธีตั้งค่ายคือเริ่มมาตั้งค่ายมั่นลงแห่งหนึ่งก่อนแล้วก็พยายามสร้างค่ายใหม่รุกเข้ามาถ้าในขณะที่กําลังสร้างค่ายใหม่ถูกชาวบังระจันโจมตีก็ถอยกลับเข้าค่ายเดิมเมื่อว่างเว้นการถูกโจมตีก็ออกไปสร้างค่ายใหม่เมื่อสร้างค่ายใหม่เรียบร้อยก็ยกไปเอาค่ายใหม่เป็นที่มั่นสร้างค่ายใหม่ต่อไปอีกขยับใกล้เข้าไปทุกทีในที่สุด ค่ายพม่ากับค่ายบางราจรันก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆกันการที่จะสู้รบพรม่าซึ่งใช้วิธีลุกด้วยการตั้งค่ายเข้ามาเป็นขั้นๆอย่างนี้ก็มีอยู่วิธีเดียวคือต้องใช้ปืนใหญ่ยิงแต่ชาวบางราจรันไม่มีปืนใหญ่ได้พยายามออกมาป้นค่ายพม่าหลายครั้งหลายหนก็ถูกพม่าตีล้มตายถอยกลับไปวันหนึ่งในท้องเหม็นกำลังเมาสุราหมกมุ่นขุนใจขึ้นมา ก็ขึ้นขี่กระบือพาทหารกองหนึ่งเข้าไปรื้อไายพม่าเอาดือ้อในทองเหม็นถูกพมา่าฆ่าตายส่วนทหารที่ไปด้วยก็ต้องแตกถอยกลับหลวงแสนพลพ่ายเองเป็นคนออกความเห็นว่าจำเป็นจะต้องบอกเข้าไปยังกรุงขอปืนใหญ่ออกมาต่อสู้กับพมา่าอันที่จริงในขั้นหลังๆนี้พวกชาวบางระจันก็รู้กันมากว่าหลวงแสนพลพ่ายเป็นใคร แต่ทุกคนก็รักใคร่และไว้วางใจหลวงแสนพลพ่ายเพราะเห็นเป็นคนมีฝีมือและได้ทำการสู้รบร่วมเป็นร่วมตายกับชาวบังลาจาันอย่างจริงจังเสมอมาเขาจึงได้มอบหมายให้หลวงแสนพลพ่ายเป็นผู้เขียนใบบอกส่งเข้ามาในกรุงอันที่จริงทางในกรุงก็ได้ทราบข่าวชัยชนะของชาวบางาาังลจันมาโดยลาดับความรู้สึกทางในกรุงนั้นก็มีอยู่เป็นสองอย่าง พวกที่รักชาติรักบ้านเมืองก็ชื่นชมยินดีและมีมาณะที่จะต่อสู้อย่างชาวบางราจันแต่พวกที่เห็นแก่ตัวกับด้วยสยาชาวบางราจันที่ทาการได้ชัยชนะซึ่งตัวเองไม่เคยได้เรื่องที่ชาวบางราจันขอปืนใหญ่เข้ามานั้นทางกรุงตกลงไม่ให้ที่ไม่ให้นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีปืนใหญ่ปืนใหญ่มีถมไปแต่ก็วิต ก, กันสองประการ ประการหนึ่งคือการขนปืนใหญ่จากกรุงศรีอยุธยาไปบางลาจันนั้นเป็นความลําบากไม่ใช่เล็กน้อยช่วยว่าพลาดพรัง้งพม่าอาจจะแย่งเอาปืนใหญ่ไปเสียอีกประการหนึ่งถ้าชาวบางลาจันมีปืนใหญ่อย่างดีใช้และเกิดรบชนะพะม่าขึ้นมาก็รู้ไม่ได้บางทีพวกบางลาจันนี้เองอาจจะเข้ามาแย่งราชสมบัติเปลี่ยนวงกษ์ษัตริย์ในภายหลังแต่จะปฏิเสธว่าไม่ให้เสียทีเดียว ก็ดูไม่ดีงามทางกรุงจึงส่งพระยารัตนาทิเบตออกไปเรียดรายเครื่องภาชนะทองขาวของชาวบ้านตามระยะทางแล้วไปหล่อปืนใหญ่ในค่ายบางระจันซึ่งกำหนดว่าจะต้องหล่อให้ไม่เกินสองกระบอกและด้วยเหตุนี้พระยารัตนาทิเบตกับหลวงแสนพลพ่ายจึงได้พบกันในบ้านบางระจันอีกครั้งหนึ่งหลวงแสนพลพ่ายได้นึกสาบานมานานแล้ว ว่าถ้าได้พบพระยาลัตนาธิเบศอีกก็จะจับตัวหมกดินหรือจับมัดเอาไปเป็นแนวหน้าให้พมา่ายิงแต่ในคราวนี้ก็ต้องระ ง, งับความคิดอันนั้นเพราะพระยาลัตนาธิเบศมาหล่อปืนใหญ่ให้เขาต้องการปืนใหญ่มากกว่าต้องการการแก้แค้นเพราะฉะนั้นหลวงแสนพลภ า, ายจึงได้ซ่อนตัวไม่ให้พระยาลัตนาธิเบศเห็นหรือรู้ว่าเขาอยู่ใ้ค่ายบางระจันเขาได้พยายามระ ง, งับใจของเขา เพื่อให้ได้ปืนใหญ่เสียก่อนแล้วจึงจะเข้าพบพระยารัตนทิเบตต่อภายหลังงานหล่อปืนใหญ่ก็ได้ทำด้วยความยากลำบากเพราะเครื่องมือมีไม่พอต้องสร้างต้องทำกันใหม่พระยารัตนธิเบตเองก็ดูไม่มีความรู้อะไรในการหล่อปืนแต่ก็ต้องปล่อยให้ทำดีกว่าไม่ได้เสียเลยในระหว่างเวลาที่หล่อปืนใหญ่นี้หลวงแสนพลาพ่ายได้ห้ามปรางพวกของตัวไม่ให้ออกไปตีไข่พมา่า เพราะถ้ามีการสู้รบเปนนข้าพระยารัตนาทิเบตจะหนีเสียอีกในที่สุดการหล่อปืนใหญ่ได้สำเร็จลงที่ว่าสำเร็จนั้นหมายความว่าได้เททองลงแบบพิมพ์โดยยังไม่รู้ว่าปืนใหญ่ที่หล่อนั้นจะใช้การได้หรือไม่ในทันทีที่เททองเสร็จเรียบร้อยและรอให้เย็นสำหรับจะแกะแม่พิมพออกซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยหนึ่งคืนกับหนึ่งวัน หลวงแสนพลาพ่ายก็ได้แสดงตัวให้พญาลัตนาธิเบศทราบว่าตัวเป็นใครพญาลัตนาธิเบศ ร, ร้องด้วยความตกใจว่าหลวงแสนหรือหลวงแสนพลาพ่ายตอบว่าผมเองครับผมเป็นชาวบางระจรันพญาลัตนาธิเบศพูดว่ามิหน้าละ่ะชาวบางระจรันมีหัวหน้าดีๆอย่างคุณหลวงจึงได้ทําการรบชนะพมา่าหลวงแสนพลาพ่ายตอบว่าไม่ได้ครับ กระผมไม่ได้เป็นหัวหน้าอะไรเลยกระผมอยู่ที่นี่ในฐานะเป็นไพร่พลคนหนึ่งพญารัตนาธิเบศพูดว่าทําไมอย่างนั้นละ่ะคุณหลวงเป็นข้าราชการมีบรรดาศักดิ์ทําไมจึงไม่ได้เป็นหัวหน้าหลวงแสนพลภาพาตอบแดกดันกลับไปว่าบรรดาศักดิ์ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของความเก่งกล้าเหยาว่าแต่ขนาดหลวงอย่างที่กระผมเป็นแม้ขนาดพระยานาหมืน่นยังขี้ขาดตาขาว หนีทัพได้ทุกๆครั้งพญาลัตนาธิเบศถามว่านี่คุณหลวงว่าฉันหรือหลวงแสนพลาพ่ายตอบว่าถ้าใต้เท้าเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นความพอใจของผมพญาลัตนาธิเบศถามว่าพอใจอย่างไรซึ่งได้รับคำตอบจากหลวงแสนพลาพ่ายว่าพอใจว่าใต้เท้าเข้าใจได้ถูกต้องสีหน้าของพญาลัตนาธิเบศเผือดลงไปเป็นอันมาก แต่เขาก็พยายามทาใจดีสู้เสือและพูดขึ้นว่าฉันกลับเข้าไปในกรุงจะไปกราบบังคมทูลความดีความชอบของคุณหลวงให้ทรงพระกรุณาแต่งตั้งเป็นพระหรือเป็นพยาต่อไปแต่ถึงพูดอย่างนี้หลวงสสรพลายก็ตอบว่าอย่าเลยครับขอความกรุณาไต้เท้าอย่าทำอย่างนั้นขออย่าให้กระผมเป็นพระยาเลยเป็นอันขาดพระยารัตนทิเบศถามว่าทาไมละ่ะ หลวงแสนพลรพายตอบว่าเวลานี้ผมเป็นคนกล้าหาญอยู่แล้วถ้าได้เป็นขุนน้ำพระยาเข้ามันอาจจะกลับขี้ขาดนีทับไปเสียก็ได้พระยาราัตนทิเบตโกรธจนหน้าแดงแต่ก็รู้ว่าตัวไม่ควรจะมาอวดเก่งอะไรในค่ายบางาาระจันนี้ส่วนหลวงแสนพลรพายนั้นเล่าเท่าที่ได้พูดออกไปแล้วก็รู้สึกว่าพอเหมาะพอควรแล้วไม่ควรจะพูดอะไรให้มากไปกว่านี้ เพราะยังไม่แน่ใจว่าปืนใหญ่ที่เททองแล้วและกำลังอยู่ในแม่พิมพ์รอความเย็นอยู่นั้นจะใช้ได้หรือไม่แต่เขามั่นใจว่าคราวนี้เขาจะไม่ยอมให้พระยาลัตนาธิเบศนี้อีกถ้าปืนใหญ่นั้นใช้ไม่ได้พระยาลัตนาธิเบศจะต้องอยู่หลอให้จนใช้ได้ถ้าปืนใหญ่นั้นใช้ได้เขาก็จะจับตัวพระยาลัตนาธิเบศมัดแล้วนำออกไปแนวหน้าไปโจมตีค่ายพมา่า เพื่อลงโทษในความขาดหนีทัพของท่านผู้นี้แต่ในวันรุ่งขึ้นพระยาลัตนาทิเบศได้หายตัวไปเสียแล้วอันที่จริงหลวงแสนพลรพ่ายก็คอยเฝ้าอยู่ภายหลังที่ได้เข้าแสดงตัวพบพูดจา ก, กันดังกล่าวข้างต้นแล้วในคืนนั้นหลวงแสนพลาพ่ายก็ยอมอดนอนคอยเฝ้าเรือนพักพระยาลัตนาทิเบศเพื่อไม่ให้หนีแต่ในเชิงนี้นั้น พระยารัตนาธิเบศ์สามารถกว่าหลวงแสนพลพ่ายมากในทางสู้รบหลวงแสนพลพ่ายจะดีกว่าพระยาลัตนาธิเบศักเพียงไรก็ตามทีแต่ในเชิงหนีนั้นหลวงแสนพลพ่ายไม่ทันพระยาลัตนาธิเบศ ต, ต่อให้นั่งเฝ้าอยู่ก็หนีได้ส่วนปืนใหญ่ที่หล่อไว้นั้นเมื่อแกะแม่พิมพออกดูก็ปรากฏว่าราลรานใช้การไม่ได้เลย หลวงแสนพลพ่ายบอกแก่อุ่นเรือนภายหลังที่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าพี่ยอมแพ้พระยารัตนาทิเบศอุ่นเรือนพูดว่าเรื่องหนีแล้วก็พี่ไม่ทันพระยารัตนาทิเบศหรอกหลวงแสนพลพ่ายตอบว่าขอให้ได้พบกันอีกสักครั้งคราวนี้แกจะไม่มีชีวิตอยู่สำหรับหนีอุ่นเรือนพูดว่าแต่พี่จะไม่มีโอกาสได้พบแกอีกหลวงแสนพลพ่ายพูดว่า ถ้าค่ายบางระจันแตกและพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่จะเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาแต่อุ่นเรือนยังคงยืนยันว่าแต่พี่ก็จะไม่พบพรรยาลัตนาที่เบสหลวงแสนพลพ่ายถามว่าทำไมละน้องอุ่นเรือนตอบสามีว่าเพราะต่อไปนี้แกจะหนีจากกรุงศรีอยุธยาหลวงแสนพลละพ่ายได้ฟังก็ถามว่าหนีไปไหนอุ่นเรือนตอบว่าไม่รู้แต่คนอย่างพยาลัตนาที่เบส ถึงอย่างไรก็ไม่ยอมตายอยู่ในกรุงและไม่ยอมอยู่จนกระทั่งกรุงแตกเมื่อปืนใหญ่ใช้ไม่ได้เสียแล้วชาบังระจรันก็หมดทางสู้พมา่าแต่เขาก็ยังมีมาณะสู้สู้โดยวิธีแต่งกองปล้นออกไปปล้นไข้พมา่าอยู่เรื่อยเรือยีพลก็หมดเปลืองไปส่วนในแท่นแม่ทัพที่คนรักคนบูชาตั้งแต่ถูกปืนที่เขาแล้วแผลก็กำเริบหนักขึ้นจนทางานอะไรไม่ได้ ความกำเริบของบาทแพ้และความหมกมุ่นขุนใจทําให้เขาถึงแก่ความตายความตายของนายแท่นทำให้พวกนายกองทั้งหลายตัดสินใจว่าเขาจะต้องยอมตายเช่นเดียวกันและเขาจะต้องต่อสู้รบจนถึงที่สุดด้วยเหตุที่มีปืนใช้อยู่มากแล้วขุนสันผู้เป็นอาจารย์แม่นปืนจึงมีความสำคัญมากขึ้นเขานากองปรอนออกปล้นไข่พมา่ามากกว่าคนอื่นและในที่สุด ขุนสันก็ตายในที่รบตายอย่างมีเกียรติตายในความรักความนิยมของชาวบางระจันทั้งหลายอย่างเดียวกับนายแท่นและนายทองเหม็นเมื่อขุนสันตายแล้วหน้าที่บังคับบัญชาในฐานะแม่ทัพก็มาตกแก่นายจันหนวดเคี้ยวซึ่งทําความพยายามออกปล้นไข่พมา่าอย่างเดียวกันและในที่สุดนายจันก็ถึงแก่ความตายตายด้วยการรบอย่างเดียวกับพวกหัวหน้าทั้งหลายในบางระจัน แม้จะแลเห็นอยู่ชัดๆว่าไพร่พลกําลังรบในบางละจันร่อยหลอลงไปสุกี้ก็ยังไม่กล้าเข้าตีบางละจันอย่างซึ่งหน้าชาวบางละจันเองก็รออยู่ว่าอยากให้พม่าทําการแตกหักออกมารบกันกลางแปลงสักครั้งหนึ่งพม่าก็ไม่ออกมานับเป็นเวลาถึงห้าเดือนที่ชาวบางละจันสู้รบกับพมา่าแปลว่าพม่าต้องสู้รบกับชาวบางละจันมากกว่าในที่ใดๆ ตั้งแต่ย่างเหยียบเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาอยู่มาวันหนึ่งชาวบางระจารันก็ต้องเผชิญภัยจากปืนใหญ่ของพมา่ากระสุนปืนตกในค่ายอย่างมากมายเสียงปืนดังกระหึ่มครืมคลางไม่ขาดสายจึงได้รู้ว่าพม่าขุดอุโมงค์เอาปืนใหญ่เข้ามาตั้งยิงใกล้ๆความปั่นป่วนจึงได้เกิดมีขึ้นในค่ายบางระจารันและในเวลาเดียวกับที่เอาปืนใหญ่ยิงนั้นทหารพม่า ก็ออกมาป้นค่ายบางละจันด้วยเรื่องพมา่าส่งทหารออกมาตีค่ายนี้เป็นเรื่องที่ชาวบางระจรันคอยมานานนักหนาแม้ว่ากระสุนปืนใหญ่จะตกอยู่ภายในค่ายอย่างหนักเมื่อเห็นทหารพรมาร่าออกมากลางแปลงชาวบางระจรันก็เปิดประตูค่ายของตัวออกมารบกับค่ายศึกไม่ต้องมีนายทัพไม่ต้องมีผู้สั่งการทุกคนเป็นแม่ทัพในตัวเองใครทําอะไรได้ก็ทําใครใช้อาวุธอะไรได้ก็ใช้ ชาวบางาังอาจันจะต้องเอาเลือดทาแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายออกรบด้วยกันคว้าอาวุธสุดแต่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นขวานหรือแม้แต่ท่อนไม้อุ่นเรือนมีดาบอยู่เล่มหนึ่งอยู่เคียงข้างสามีแล้วออกรบอย่างเดียวกันกันกบสามีอุ่นเรือนพูดว่าเราตายกันที่นี่พี่เราตายอยู่ด้วยกันตายพร้อมกันหลวงแสนพลรพ่าย หันไปยิ้มกับภริยาของตัวแล้วก็ผลกระโจนเข้าจ้วงฟันพมา่าด้วยความตั้งใจแน่วแ น, วแนว่ว่าการรบครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาเขาจะรบไปจนกระทั่งดับจิตเพราะถ้าเขาจะต้องตายเขาก็สมัครใจที่จะตายอย่างเป็นชาวบางระจันเนื้อที่ในระหว่างค่ายไทยกับค่ายพมา่าที่กำลังรบกันอยู่นั้นเป็นแดนตายอย่างแท้จริงเสียงปืนใหญ่ยังดังสนั่นอยู่ไม่ขาดสายเสียงปืนเล็ก ก็ยังระดมยิงอย่างหนาแน่นแต่เสียงที่โหดร้ายยิ่งกว่าเสียงปืนนั้นคือเสียงดาบมันไม่ดังเท่าเสียงปืนแต่มันโหดร้ายกว่าปืนเสียงฉับของมันหมายถึงชีวิตชีวิตหนึ่งมันแม่นยำกว่าปืนเพราะฟันกันถึงตัวความบกพร่องอย่างหนึ่งของหลวงแสนพลาภายนั้นคือในเวลารบมักจะอดมองดูเพื่อนไม่ได้เขาชอบมองดูคนนั้นคนนี้ร้องบอกเอาใจ และยิ้มยิำำ้มแจ่าใสเพื่อช่วยกำลังใจของเพื่อนและของเขาเองแต่คนคนหนึ่งที่เขาไม่กล้าดูคืออุ่นเรือนที่อยู่ข้างๆเขาเพราะถ้าดูเขาจะทำให้สงสารและใจเสียตั้งแต่แรกเริ่มเกิดสงครามมาแล้วอุ่นเรือนได้ร้องขอหลายครั้งหลายหนขอออกทับด้วยเพิ่งสมประสงค์ในวันนี้ดวงจิตที่เฮี่ยมหารของเธอสมกับที่เป็นเมียของชายชาตินักลบเธอต่อสู้สู้อย่างผู้ชายคนหนึ่ง และแม้จะเป็นผู้หญิงหลวงแสนพล่ายก็ได้แลเห็นด้วยความปลื้มใจว่าอุ่นเรือนฆ่าพมา่าได้บ้างเหมือนกันเสียงอุ่นเรือนร้องขึ้นในระยะใกล้ๆว่าพี่ไม่ต้องห่วงน้องสู้เขาต่อไปและเมื่อหลวงแสนพล่ายเหลียวไปดูเขาก็เห็นอุ่นเรือนของเขาล้มจมอยู่ในกองเลือดหลวงแสนพลาภาพร้องตอบว่าน้องรักคอยพี่ด้วย แล้วก็ฟาดฟันพม่าที่หนุดเนื้องเข้ามาโดยไม่ออกห่างจากที่ที่อุ่นเรือนล้มในที่สุด well, เขาก็ถูกฟันล้มลงเองเขาค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาอุ <Emily> <CL CK. S 1> <NEN S 2> ่นเรือนกอดอุ่นเรือนในกองเลือดอุ่นเรือนเพื่อนชีวิตของเขาภริยาที่อยู่ร่วมกันมาอย่างถูกอกถูกใจและรักกันอย่างไม่จืดจางเป็นเพื่อนร่วมทุกข์สุขเพื่อนร่วมชีวิตและเพื่อนร่วมตายเขาพูดเป็นคาสุดท้ายว่า เราตายด้วยกันน้องรักตายอย่างเป็นชาวบางระจันแล้วชีวิตของเขาทั้งสองก็แตกดับอยู่ด้วยกันหลวงแสนพลภาพและอุ่นเรือนจะเป็นชาวเมืองไหนหรือเกิดที่ไหนก็ตามทีแต่เขาตายอย่างชาวบางระจันเป็นความตายที่มีเกียรติสูงสุดในประวัติศาสตร์และชาวบางระจันก็ตายอย่างระเนรนาศแต่ความตายของเขาไม่ไร้ผลทุกคนที่ตายไป เขาฆ่าพมา่าได้อย่างน้อยคนหนึ่งเราต้องการหนังสือเล่มหนึ่งเป็นพิเศษสําหรับบรรยายถึงเรื่องของชาวบางระจันและเป็นการยากที่จะหาถ้อยคําอันใดมาบรรยายให้สมกับคุณงามความดีของชาวบางระจันได้การสูญเสียด่านบางระจันเป็นการสูญเสีกยกรุงศรีอยุธยาเพราะคู่ปรับอันแท้จริงของพมา่าอยู่ที่บางระจัน